ในอัองสมแดดพระพิทธมีพระองค์กรัดนะได้สมบัติสมประการกล่าวคือมนุษย์สมบัติเดิสวรรค์สมบัติดนะังมาสมบัติอย่างเดียวกล่าวคือพระนิพพานนั้นประการเนดะิมลายประการเนดะิมไอเสนาองสมแดดพระพุทธมีพระองค์มันเคยคล้ายกับเครื่องประดับเนะ่ เ่งประดับไม่ได้ยมไว้ศีลขององค์สมเด็จพระพุทธมเาะเพียเด็กรักษาศีลก็งาไปความเป็นแดกนะแล้วอิปการขนหน ม, มนก็งาไปความเป็นหนมแล้วที่ขนแก่ก็งาไปความเป็นความไอความไที่เป็นขนแก่ไม่ว่าเครื่องประดับสำคัญมาก ไม่เหมือนนะนิยมนะฝ่ายโลเขานะ่ยฝ่ายโลเขานะการแก่งคนแก่แกให้เด็กประดับไม่งามนะนิยมวัยของเด็กประกอบดับของคนแก่ไม่งามของคนแก่ประดับเด็กก็ไม่งามนะไม่ทันได้ นายบกาเนอเส้นขององสมเดนจพระมีภกดนะีพูดในทินในมีกลิ่นหอมนะหอมได้กลายหอมได้กลายหอมระมุนระมันมยนะมาหอมไปถึงเทมโปกโนนมาคลัาตามหอมลงไปถึงอวิชีนะเส้นกลิ่นเส้นในหอมได้กลายหอมได้กลายไม่เหิไม่หายไ ไม่เหมือนกลินดอกไม้ทั้งหลายนะกลินดอกไม้กลินดอกอบอนนะกลินดอกมะลิเครื่อหนึ่งแม่กลดสนได้ดายนะี่ยผมนะแมเวลาเช้านะเวลาเย็ยนหายอากาศเกลื่นไปกินหมดเนี่ยเเกินเซนขององสมแดดพระผมม่รภาคไม่ได้เนี่ยพกานน่ะนะทนเะนะ่นะนะ สีนห้าศีนหากำลังมากที่สดให้สำเร็จสุดอำนาจในกลีหยุดกลางพุทธกาลนนทนมีแดชานภาพมากมความที่ว่าสำเร็จสุดาำน า, านทินเน<ม>่เปิดบายพมนั่งสี่ได้ในโลกเปรตสุรกายไม่เกิด<ม>เป็นนิยติในเป็นนิยตที่เกิดบนสวบัติบวโลก นี่แหละฉันได้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจการบาเพ็ญทานต้องสมทานศีลซสีสก่อนจึงไม่นี้สมมงมาคเนะโมตัสสะหะกะมะโตอระหะโตสมมาสัมมุทหัสสะนะโมตัสสะ ภะควัโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวัโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุตรทางสระังคัจฉาเมข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระนภพุทธเจ้าธรรมังสระนังคัจฉาเมข้าพเจ้าขอถึงสึ่งพระนธรรม สังขารสราณังขจามีข้าพเจ้าขอถึงแสงพระสงฆ์โนเทยปิบุตรสังขารสรณังจามโนเยปิธรมสังาสราณังจาม โนตยามปิสังฆังสระนังขจฉามิตาตยามปิบุตหังสระนังขจฉามิตาตยามปธรรมังสระนังขจฉามิ มาทยามพิสังขางสรนังขจามิตอนนี้ตอนนี้ขอเชิญนาะ่านทั้งหลายละไกลายสนาคมไปเอกก็เทนะิตมาละผักลายสนาคมไม่ได้ก่อนแล้วนะอาจจะขาดบ้างดังพร้อยบ้างขินเนยนะมอนเคยล้ากับพะนะนา่านไปนับบัดนะ ทัานแสดงต่อพิเสยองได้องเหน่งแล้วนั่นทานใช้ตาปะอย่างยิงให้ถึงมักถึงผลได้แม่ฉันได้ระยะนี้เชิญผู้ตาอัตมานข้าพระเจ้ า, ข, า, จาขอถึงเซ่งพระน้พุทธีเจ้าที่ประนีพรแน่นนอนและพระธรรม เต็นพระภูมิพระภาทเจ้าที่ท่านกลัดสรุดีด้วแลบุญมาเรียรสงสาวกว่าเป็นที่พึ่งเป็นโลกเป็นับถือของข้าพรเจ้ามีวันไล เป็นตนไปจนตราดชิ่งชิวเวแห่งขบาระเจ้านีและปานาติปาตาเวรมณีศิขปะปังสมาดิยามีข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งศิขาบท ควรจกข่าสัตว์โดยตนเองและไม่ใชยผู้อื่นเขาฆ่าอะดินนาดนาเวรมันิศิขาปดังสมาดิยามิข้าไปเจ้าสมาทานซึ่งสิขาบุ คือวันจะถืออาสิ่งของของท่านผู้อื่นโดยตนแอและไม่ใชยผู้อื่นนักใจชดกามเมมตาฆาตเจราแเวรมานสิกขาปังสมาดิยาเม พาไปเจ้าสมาทานซึ่งศิขาบทคือวนันเาลองไปเวณไม่บุธเรบุตราสามไม่พริยาทานผู้อื่นหมูสาวาดาวรา่ระมะเนศิขาประดังสมาธยาเมี ข้าพระเจ้าสมาทานส่งสิขาบทคือเาานอวนจากาาเพื่อข่าวไม่จริงมากล่าวโดยตน้นอและไม่ใช่ผู้พูดเริกกล่าวสงราเมรยามียาพมาดัทนา เวรมเนสศิกขาปะดังสมาดิยามินขาปเจ้าสมาทานซึ่งสิขาหมดคือแวนจารุดเดิมเครื่องดองละของเมาหัโซรแลเด็มลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอิมานิปัญญาสิกขาปัญญานิศีรษะนสุขติงยันติศีรษะในผัวกัลปปัญญาศีรษะนในผู้ติงยันติตัดสมาศีรษงวิสโสทะยัน ได้พระละจะได้สวดวิปริตะมงคลนะตั้งใจฟังตั้งใจฟังฟังเทศบาลีนะเมื่อได้คลางพุทธการระหว่างที่องค์สมเด็จพระพุทธมียภาคจะไม่ชีวิตโฉ <c oughs> ระหว่างนะั้นระหว่างนะั้นพระละทั้งห0สงบองนะ มาองสมเ็ธพระภูมิภาคไปแสวงหาดีเวกบอกเสบองนั้นอ่ะอยู่เลนแ ม, ม่น้ําดงอยู่ใกล้ธรรมแดงรหว่างนันภาษาไทยเขาเรียกว่าขังคราวมากภาษาลาเขาเรียกว่าเกียมมากเกียร ม, มาก้าวัดพระเทเนล่ยนะตัง้งการกา ทั้งเวลาพถุมไม่ยามสาธยายทรงจำพระพุทธวจินน่าสวดน่ะสาธยายนพยนอผมไม่ยามให้ครั้งคราวไอ้เกียรนะกาะนือนนทำได้ฟงเสียงรหัสราสายายมัเทเเลาะนี่สัตว์เหล่านั้ น, นเกีเกิดไปติปลืมใจนะา ขท้าเกานะเห็นนะนั่นปใจทุกเส้นขนนะั้น่วงลงมาตายกองเรอือสิแดียวพระทั้งหกเศนั่นไปอยู่รูจากคติของศาสไปตกนาะทีไหนสราบไปได้ระหว่างนั้นพระไปทูลองสมเด็จพระพระุทธ้าท อาพระองค์นะสาพยายามนะผมพยามกลางคืนแต่ว่าไอเจียนั้นไอ้งคล้าวนั้นออนะทำไม ห, หลุดลงมาตายมากนะเพราะเหตุใดระหวังนั้นองค์สมเด็จพระพระิโรากฤศพยากรณ์ว่าเธอนะไน่ยในลกจากในสายของสัตว์เธอยังเป็นบุติชนอยู่นะนะนะนะนะ สัตว์เหล่านั้นได้ยินเสียงนหาดพวกเธอสาะทายก็เปลิมใจวางเท้าลงไปตายสาตว์เหล่านั้นน้าพาไปเกิดบนสวรรค์มากที่สุดเมื่อลาฉันใดนารยาใดนะระหว่างที่พระที่สวัดนาขอท่านจังจิตจังใจฟังอัฐาเบล ให้ถึงเกลดถึงใจหันมาไป <laughs> <laughs> ข่าวญี่ปุ่นนะข่าวญี่ปุ่นกับไทยกับอเมริกาเนะี่ยมาสาปกระเนื้อแผดชิงตุงไปเนะียนะแผนเมตตาจิตชิงตุงไม่ได้แผ่เมตตาจิตอังกฤษดียไม่ได้แผ่แผ่ชิงตุงอาจจะมาได้สาปได้ได้าระไทยเกี่ยวชึงตุงรับตอนตะุนบุรีครั้งนั้นเนะี่ย ตาคุณมรีเจ้าคุณบรีนะเอาเดินเอาผ้าไปเห็นมาเลิกเขาไม่เอเื้อเฟอื้อที่นเอาไปกรุงเทพไปเรียนจกนักทุนระคำเนก็กลับมาสอนบ้านจ้ของนะเจ้าคุณีเจ้าคุณบรีอุตสาห์ไปขึ้นขึ้นห้วยลงลงภูขึ้นภูลงห้วยไปยเห็นแค่ว่าเคยเป็นญาติมาแต่ชาติก่อนวะเนะท่านคุณบรีนะ จะตาหไปถึงจึงตรงนั้นแหละแล้วเนี้่าจกกรันี่ยหกเป็นห่วงไปห่วงกลั ว, วจะคนบรีเนี่ยจะทรุดตพพื้นเขาฟดากเข้มเก่ง น, น, น, น, น, น, นั่นกลัวกลัเนี่ยกลัวทุดตื้นนั่นแม้แต่เจ้าโ อ, โอ้จะคุยนบรีนะ ไปอุดรเนะไม่ได้ขอไปเนุญาตจากแม่หลวง่าข้ามีเป็นกานไม่ได้ข้ามไปเท่านั้นนั่นแหละแล้วก็ที่นี่จะคุณอมรีนะกลับกรุงเทพแม่ไปไปแต่งสือในข้าวนั่นแหละนาซันที่หกแต่งมาให้มาให้เรียมอาวุธเป็นผิดไงเนี่ยติดคุกเนะยเนยถอดยกดนกลานั่นนหะถอดยดคุณมมรีเ้าใจไหม จะมาอายุอายุของอาจจะมาห้าสิบสองปีห้าส<ม>ิบสองปีมาถึงแปดสิบมาเนี่ยละครเนี่ปดแปดิบสนะปดิบสปีแล้วพรรษาห้าส<ม>ิบแปดีดยวนี้นะห้าบสองปี<ม>ข้าวด้าน จะคุ้ลองทุกอความทุกข์นะหนาวจัดยังยงยนงานเรือกันดานยางไ น, นขึ้นพุนพูขึ้นห้วยลงพูในวันนั้นแล้วท่านอายุนั่งนม อ, อยู่นั่งดื่มอยู่มาเทียบวิเวกเจริญสมรรฐธรรมไปรับความทุกข์อยู่โคราดอีกข้างเด้เป็นไข้เมลีเดยมาอยู่บ้านให้ไขบ้านทูกข์เลยนะ Ừ, รักษาตัวอยู่ที่นัดชอบเดินเทอดงนะเมื่อคุนบุรีนะแล้วนะเนะ จ, นะนะนะจ้างู้งตรงรับตอนท่านสมเกียดติเธอมรับตอนกรคุณบุรีนงะินเอาคนไปหามไปหามไปไปดาเหนาขึงเทียงนะ ฝืงฝืงไฟอแล้วดูหนาวประจํามันสาแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งแล้วเจ้าสิงตรงยังมือสาประเทไทยคณะสาปพพระเทศไทยได้ไท่านคงจะประจํามันสายอยู่ซึ่งตรงเวลาพมนาออกมันสาได้เจ้าส่งตรงนนพนมราบแต่ไทยแล้วได้ให้หามาดนี้ไปหรือใช่คนไปหาม ในข้าวนั่นต้องหามไป <c oughs> หนาวจัดอย่างนั้นอย่างนี้แม้ท่านพูดอย่างพิษดาลแล้วเอาพระเอาเนรนนนนเป็นห่วงท่านท่านอาจารย์ท่านจะคุณบริสรเสริญอยู่เจ้าเชิงตงเนะเจ้าหญิงเนี่ยนะท่านสมถะเก่งนะทำความหยุดใจเก่ง เขามันเป็นหนึ่งเก่งความสงบดีเหมืนแต่ขาดปรราัญญาเหนะมือนไงปัญญาในพิจาณาตุกข์นั่นในจังนตาเนะยท่านพูดอยู่ชิคุนมุรีนะ อ, อพวกเจ้าเสงี่ยงตงนะราชินเนนะนะพระวนาดีนะเขาเรียกว่าราพระมดาบุง่งยันข่าวข่านะชชุนมุรีไปนะพระมดานะอืม ทำความส ง, งบเยียบคลายธรรมะโดยดวงจิตงานแทน่านเก่าให้ฟังเ <c oughs> ชื่อสายมีงท่านราชนีองค์นี้นะี่คอยได้พานพระาตมาหลายองค์แล้วนนะในอดีตนะนันในเวลาท่านอาจารย์เจ้าคุณบริเทศนะท่านเขาจะเขา้าเข้าประทยมากสรม า, าบึกษ์ฝังมากในคัมภีร์นันะ ในครา ว, วรร น, รนี้ท่านกันชุมุรีนะเจมสมุรีนี่ท่านผุดมาเหมือนกับญาติทุกทันเียวนะไม่เกรงใจในอะไรเยอะน่ะท่านเคาว่าเป็น ญ, ญาติหมมนส่วนจิตทุกท่านในคณะเดินดงนั่งสมาธินี่อ้าวกลับเมืองไทยไม่ได้ฮะมันขาดญาติแล้วถ้าต้องไปเยี่ยมเจ้าช้งตุงสะก่อนหน่อยนะว่าจะหาไปจนได้น ะ, นะ องร า, า, า, าชินีเท่าสามีนี่นะมันคล้ายๆกับราชการในหกนะณที่เก่านะเดี่ยวนพระพองค์เกิดข้าวนาดะอายุอ่าดัเอพิงเขาออกนะ จะฟังคืออังกฤษนะเอาเอาเอาภรรยานะแม้แต่งกันทพริเล็กๆนะนะอาแผเอาเอาทะเบินก็ออกนะในลาสองปีมาแล้วนมตามทําตามนะเทระมติของเทระผู้ยาแต่จะอย์มั่นแทนกันเสาวเนี่ยโบราณนะเขาทช่ไดะ ต่ออายุนานอนะไปค้ำจนโพนะจนโพนะนั่นแล้วเทนะเทล่ผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายภาถนาเนี่ไม่มีประโยชน์ไปค้ำจนโพไม่มีประโยชน์ม า, นะาชักบางสกุลเป็นนี่ประโยชน์มากคนป่วยเนีหลายลายเนยชักบางสกุลเป็นหายหลายลายทันถือในตอนนั้นนี่มาทันเกณนเสาเนี่ยกันมันนะ มัดไน้นนัคนเย่งนะสตาตกต่ำพร้อมด้วยการชักบักตกูลเป็นให้อายุของท่านยืนหนึองพร้อมด้วยการนถาถวายทั้งถวายทานนถวายทานเพื่ออายุคนหยิงเนึ่ง มุเทเดถึงกรรมคนหญิงที่ทำไม่ดีวันทชากรกรรมมากนำฉนองนะนั่นอย่าให้ถึงคนหญิงอย่าประหารให้เก็บให้ป่วยเรื่องอะไรนะกรรมในตอนนั้นพึงมารับกุศลเสียนั่นนะเป็นการให้ทดแทนคนหญิงทดแทนกรรมนั้นไม่ถึงตัวนะี่นั่นในตอนนั้น เนล่นะระยะเนจะได้ซักบางสกุลเป็นตามพันธุ์มเทียมเนียมของรพระใหญ่ภัยถ้าพ า, าวนาพาว่านะหายไปแบบหนึ่งแปลกว่าวสวกตำรุจภาวนาพาวนากลางคนกลาง ค, งคงนืนนะเงบสงบ ในยามสามทุ่มหรืออะไรเนี่ยแล้วแรงแล้วงายแล้วนั่นเราจะหาที่สงบทำความเพียรหักตั้งสมาธิดังสมาธิเดียวกลางคืนนะกัาเคืนนะนั่งคาถมสมาธิเดียว ขาขวาทับขาซ้ า, ายเบอร์ขวาทับเบอซ้ายวางให้กองแล้วนั่นแม่องค์ชงเดชมาพระเมืภาคสอนชาวฮกนะวิเวกนะกายวีเวกนะพวกเธอนะพวกเธอนะอนะนั่นความชงาทางกายนะนั่นย้ายกายคุกเครียกนะคนอื่นนัผมเนี ก, นนก็ไม่ทุกเคลิกกัน ไม่เรื่องการ น, นั่นตัดกระแสตัดกระแสตัดกระแสตัดกระแสเนี่ยกายไม่แวกเราเกิดมาในโลกคนเดียวตายแก่เก็บตายคนเดียวเที่ให้ช่วยไม่ได้นะให้เจ้าฟานหนักพระทายใยตอนได้ให้มากว่าน่าทุกขนะคุณหญิงเมื่การสะเดียรนเมื่อการ น, นั่น นักจารย์ในตอนนี้ให้มากนั่งสมาธิเนี่มิเวกทางกายวิเวกทางวาจาเนี่นเคืออย่าพูดกันเสียงขู่กันอิบนะนั่นอืความฉลาดมืเช่นนั้นฉลาดทางวาจาไม่พูดกันน่าวิเวกทางวาจาองค์สมเด็จพระบรมมีพระกรทเช่นนั้น มโนไว้วะะัยนาถเนเนี่ยนะจิตต้องเปลี่ยวที่สดเปลี่ยวที่สุดนะว่าแวที่สดนะเนี่ยว่าแวเปลี่ยวความเปลี่ยวความว่าเวนาถเ่นนี้ น, นะแปลว่าหัวใจเป็นผอชนะที่ดีแล้วชําระนิ ว, นวรณ์เลกดวงจิตกับเปลี่อย่างไรคลายออกจากดวงจิตนิวรณ์ห้า วิวอนฟาเลยองสมเดดว่ า, าพุทธะภาวก็เป็นมาใหญ่เป็นมารใหญ่นั่นบกวนในสมาธิของเราความดีของเราดีผิตดีหายไปนั่ น, นว้เว้มาโนเวนะปริโย่าเวนะนั่น เป็นภาชนะทองที่ดีแล้วที่เลแล้ว น, นั่นความมาแย่คนเปลี่ยวนะนั่นและในโอบริโกน้ําอคุณของาพระพุท้ทเจ้าคามาในดวงจิตทรหม้อทั้ทงคองเอาไว้ชะก่อนอาพุโธอย่างดีงาวริวกรรมพุทโพุทโธอย่าแนวแน่ลงไปอย่าเอาทำหม้อทั้งคอนะนั่นพทโพุทโเช่นนั้นให้จิตน่ะ ของเราให้คุงค่อยในพุโทโธให้มากให้ชินในพุโทโธให้มากนะนะบริบูรณ์ธรรมให้มากในพุโทธโธพุทโธนะนะยาทิ้งพทุทโธยาละพุทโธนะัประการหนึ่งและอุกปการในความชํานาญให้คไขยชํานาญพุทโธให้ชำเ น, นื่องให้ชํานาญเด็กในพุโทโธตั้งยึดหัวใจน ะ, นะ นักไว้นักไอ้อาคสงบแล้วนั่นความคิดสงบอันนี้นเป็นเอกใหญ่เอกใหญ่ความสงบไปแล้วต้องละพุทอนะรักษาความสงบเป็นเหตุต่อไปนั่นพุทความสงบมา น, น้นไม่ไมายพระพุทธเจ้า เปรียบเทียบในความสุขใหญ่โตน ะ, นะความสุขพระบรมเจ้าพัดตั้งร้อยพวงสูวความสุขอุบายสุขอุบายชะาทําทความวิเวกให้ความสงบเกิดขึ้นในดวงกิจไม่ได้เ น, นี่ยอหน้าเธอแวงนะอความสุขอันนี้นะเป็นเนื้อของสมถาวิธีมีฤทธิ์มีเดชมากที่สดนะนี่ยความสงอบอันนี้นะเนะี่ม แล้วก็ภาวนาพระทอพระทอนะาอภภนาพระทรนะให้ละอดีตที่ล่วงแล้วมาอย่าคุ้นขวานะอย่าคุ้นขวาย่าคิดอย่าเนิกนะพระองค์บอกว่าสาวั้งหลายเธอนะนะอดีตนะนั่นะไม่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดเป็นเนิกนะ คล้ายๆก็ถูด้วยลายไปแล้วเหือเิ่นแม่เขาเลืน่าเกลียดนักนักเกลียดนักอย่าไปคลิดในนึก ม, มาทัาปัจจุบันนะนะ่ะหัวใจนะโมน ะ, ใ น, ใ น, ะน่ะโมเห่าตาตูนนะในประกาศอในประกาศดังองค์สมเด็จพระพรุียพาหามอนาคตให้คิดให้นึกซึ่งใดจะมามาถึงเราอย่าคงขวานะเขาเรียกว่าสมบัติบ้านะบ้านะนั่น ใ่องธรารคดนะชนะปัจจุบันนะปัจจุบันนะปัจจุปัจจุปัายปัจจติเลือกถึงธรรมะปัจจุบันอนุปานุสตินะนั่นมาเรานะนั่นพิจนานททรณาโพธอโพธอย่างเดียวนะจิตให้แข็งในะโพธอนะนั่นจิเพ่งดยู่ใความสงบอันนั้นอันนั้นความสงบไปแล้วนะ่ะเพ่งอยู่เช่นนั้น เรื่อความรู้ความฉลาดมันส่อขึ้นมาดวงเกตยดนะนะซึ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาดวงเกียเสแล้วบม่ดูไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาดวงเกียมาเสีแล้วเนะี่ยเป็นอาจารย์ของธรรมะนะนะนะนะนะีบริกรรมพุทโธนะนะนะมันเหมือนน้ำพรมมาเขาภาวนาคนนะภ า, า, า, า, า, าวนาบมืองไทยไม่มีนะ สมมาลหางมีน้อยพระมหิกายนั่ น, น, น, นเวลาภาวนาพุทโธพุโทโธนะนั่นนับทุกแทนไม่เมีนั่นแล้วทีน่ะยซูถามเขาบอกว่าเอาห้าเอาเกาเอามณเกอารมนะนั่นเอาอามอันเดียวพุทโธพุทโธอันเดียวเถอะนะนั่น ให้ขังนี่นั่นสงบอยู่สติเพ่งอยู่ที่นั้นว่าความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในดวงจิสแล้วสิไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาดวงกิจนะสิไม่รู้ก็ลูกก้ลข้นมาดวงจิตนะอำนาจทุโธนะนั่นอ่านนะนั่นเพราะเรารับนาะ อดีตอนาคตน่ะนะมาทับปัจจุบันนะหัวใจปัจจุบันโง่เงาต่อตูนเลยนะนั่นตรงข้อก็อดีตอารมณ์นนั้นเพิกอนาคตอารมณ์นั้นน่นเข้าปัจจุบันนะนั่นเพ่งดูปัจจุบันนะคนเคยทักปัจจุบันนะนั่นเนอสำคัญมากที่สดนะมากที่สดนะอดีตมันอันตรายใหญ่โตอันดีตนะนะ ยังองค์สมเด็จพระพุทธพาคุโองกัดแล้วว่าอย่าเพยงอดีตนะททาคตได้ผ่านมาแล้วนะนั่นรหว่างที่ททาาติคดทรมานตนอยู่ในป่าถิมละทาวันนะละาทายวันในครังนน้งนั้นครั้งนั้นวันครั้งสุดท้ายที่จะสมเด็จนะนั่นระะเราน้าทาคตนะ คราวนั้นยังไม่เป็นพราะกิจเจ้ายังเป็นนะโยคีอยู่นะนั่นโยคีอยู่นะพวกนี้พระเทคีร์แล้วก็เป็นโยคีอยู่ยังไม่สำเร็จเป็นพระอาหารหันนะแล้วว่างนั้นพระมารลุขนะคิดถึงอดีตมาเราอยู่กองเสือกองก บ, บินพัตไปข้างนั้นเราเป็นกษัตริย์ พระชาชนหนะ้าถึงบารมยเรานะมานะมีความสุขมากที่สุดในพระมหมามุรุษกุศลครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอนางสนมบหกหมืน่นหกหมืน่นมาจะสมเด็จพอครึ่งเดืนสมเด็จใหม่ครึ่งเดือน khúc m n g n